สำหรับโอกาสนี้บรรดาท่านวิ้อยูคาวาจรทั้งหลาย <c oughs> ต่างพากันสมาทานประกรรมฐานสมาทานสินแล้วต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายโปรงใจเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันที่พระองค์จะทรงบรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณ ในวันนั้นองสมเด็จพระพิชิตามานนั่งอยู่ที่โคนโพ <c oughs> เอาหลังหันหลังก็ไปทางต้นโพหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทรงตั้งจิตอธิษฐานว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลือดเละเนื้อคนเราจะเหือดแห้งไปก็ตามทีหรือว่าชีวิตตินซีจะตัดสายไปก็ตาม ถ้าเราไม่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้กำลังใจอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้มีความหวังดีสิ่งพนิพันธ์จะต้องทำใจอย่างนี้ทุกขณะที่ปฏิบัติที่ทรงอารมณ์อยู่ไม่ความเมื่อขณะใดยังมีความรู้สึกอยู่ ขณะนั้นเราจะต้องใช้อารมณ์อย่างนี้เสมอจะไม่หวาดวันพ่านพึงกับความตายที่ยงมกำลังเคยขึ้นกับเราถือว่าชีวิตเป็นภาวะปกติที่มันเกิดแล้วก็ต้องตายแต่ถ้าหากว่าเราจะตายกับความบริสุทธิ์เราจะพอใจมากฉะนั้นเสียงกุดี หรือว่าการอย่างใดอย่างหนึ่งคนดีจะพึ่งเกิดขึ้นในขณะที่เราคุมอารมณ์อยู่คําว่าคุมอารมณ์นี่ควมหมายความมาทั้งวันนับตั้งแต่ตื่นยันหลับจะต้องทรงอารมณ์อย่างนี้ไว้เป็นปกติเราจะไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ใดๆทั้งหมดที่มันจะพึงเกิดขึ้น ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของอารมณ์เราก็ถือว่าเป็นกฎธรรมดาที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องประสบอย่างนี้และการประสบกับความยากลาบากต่างๆในชีวิตไม่ใช่มีแต่เราคนที่เกิดมาแล้วตายไปแล้วทั้งหมดนับไม่ถ้วนเขาประสบมาแล้วเหมือนกันในปัจจุบันคนทุกคนในโลกก็ประสบเช่นนั้น ในเมื่อโลกมันเป็นอนิจจงหาความเที่ยงไม่ได้โลกเว้นทุกขงังไม่มีอะไรจะท่งความสุขไว้ได้โลกเป็นอนัตตาในที่สุดมันก็สลายตัวในว่าเมื่อสภาวะปกติของมันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันถือว่าชีวิตของเรานี้ไม่กี่วันมันก็จะสิ้นสาก ร่างกายจะสลายไปเราจะไปจุดที่เราต้องการนั่นคือพะนิพพานและก็สรงอารมณ์ระงับโลภความโลภราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงไม่ยอมนึกถึงเรื่องต่างๆที่ผ่านมาแล้วและก็ไม่ยอมจะนึกถึงเรื่องต่างๆที่มันยังไม่มาถึง เราจะควบคุมกำลังใจของเราให้ดีที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดเยือเกเย็นที่สุดในปัจจุบันคำว่าอารมณ์นี่มันมีปัจจุบันอย่างเดียวไม่มีอดีตไม่มีอนาคตความรู้สึกของเรามันมีคำว่าเดี๋ยวนี้เป็นปกติถ้าเดี๋ยวนี้เขาเราดีเสแล้วเวลาไหนที่มันจะชั่วมันไม่มี วันนี้ก็ขอพูดถึงสกิทาคามีมักดัานเรืองอับโรสะและตัดโทสะจะเป็นการตับแบบเบาๆเพราะว่าพราะสกิทาคามียังไม่สามารถทำลายราคะหรือว่าโลภหรืองโทสะหรือโมหัได้หมดเป็นได้เพียงว่ามีอารมณ์ดีกว่าพราะโสดาบันหน่อย ที่ความรักในระหว่างเพศก็ดีความโลภอยากได้ทรัพย์สินโดยไม่ชอบทำก็ดีหรือว่าโมหะความโกรธก็ดีโมหะความหลงก็ดีเป็นอาการบรรเทาลงไปมากดีกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันความรักยังเต็มภาคภูมิแต่อยู่ในขอบเขตโศีร ความอยากรวยยังเต็มภาคภูมิแต่อยู่ในขอบเขตของสีนความโกรธยังมีอยู่เต็มภาคภูมิแต่อยู่ในขอบเขตของสีนความหลงสวยสดงามยังเต็มภาคภูมิแต่ว่าไม่ลืมความตายรักปณิธานเป็นอารมณ์เคารพในพระพุทธรธรรมประสงค์เป็นอันว่าประสนค์ดากสิตาคาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าทรงอทิศิน มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลหนักหนักอยู่ในเรื่องของศีล น, นี่มันเป็นของไม่ยากแต่ว่าก่อนอื่นใดทั้งหมดข อ, อย้ําว่าท่านทั้งหลายอย่าลืมเวลานี้เราพูดกันทั้งหมดอนนาปานุสติกรรมฐานเรื่องลมให้ใจเข้าออกท่านอย่าเผลอ เหลือลมให้ใจเข้า ใ, ใจออกว่าอะไรแสดงว่าเราเลวเมื่อ น, นั้นหรือว่าอย่ากส่งคำภาวนาและการพิจารณาใดๆก็ตามลืมลมให้ใจเข้า ใ, ใจออกไม่ได้นี่จุดหนึ่งจิตเราถ้าอยากจะกินเลดได้ดีอันดับแรกให้ทรงอารมณ์ฌานคือสมาธิให้มีอารมณ์สงบสกัดที่สุด มีความกล้ามีความแข็งพอสมควรเมื่อจิตใจมีความเยือกเย็นดีแล้วคลายลงลงมาพิจารณาขันห้าเนื่อว่าพิจารณาในด้านขาองอสุภกรรมฐานกา ย, ยกระตานุสติกรรมฐานเป็นการทําลายหรือว่าระงับหรือว่าลดกําลังของความรักในระหว่างเพศพิจารณาจากคานุสติกรรมฐาน เป็นการลดกำลังความโลภอย่างนี้ก็ได้ตอนนี้ไปเรามาพูดกันถึงความโกรธความโกรธความยาบาตนี้มันมีกับคนทุกคนที่เป็นปุตชชนพหนาแน่นไปด้วยกิเลสหรือว่าระโสดาบันและพระสิทธาคามียังมีความโกรธ แต่ว่าความโกรธของพระอริยเจ้าไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับใครถ้ า, าโกรธเดี๋ยวเถ้ากะเววิ่งโกรธทิ้งไปได้คนดีหนานแน่นไปดูกิเลสโกรธไม่จบวันนี่เรามาหาทางจบของความโกรธถึงแม้ว่ามันจะไม่ตายเลยเราก็จะพยายามตัดแข้งตัดขามันเสีย ให้มันแต่เกียดตแต่กายไปไหนไม่ไหวมันจะวยิายามค่อยๆหมดกำลังลงไปนี่หมามันเดินไม่ได้เป็นคลานไม่ได้วิธีตัดความโกรธที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำแนะนำไว้เป็นสองแบบแบบที่หนึ่งก็คือใช้เมตตาพรหมีหารแบบที่สองใช้กสินสี สำหรับวันนี้ผมจะขอพูดแบบของกระสินก่อนเจ้าะกระสินที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนํำให้ระ ง, งับความโกรธหรือว่าทําลายความโกรธมีอยู่สีอย่างคือกระสินสีแดงกระสินสีเขียวกระสินสีเหลืองกระสินสีขาวพอพูดถึงกระสินท่านอย่รทำตาโตด้วยตกใจ ว่ามีนักปฏิบัติมากเลยกันพอพูดถึงกระสินรู้สึกทำท่าทางใหญ่โตมันรู้สึกว่าเหมือนว่าเป็นของใหญ่ของหนักเสียจริงๆแต่ความจริงกรรมฐานทั้งสี่สิบกองจะเป็นกระสินหรือไม่ใช่กระสินก็ตามเป็นของมีค่าเสมอกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย ผมเคยฝึกมาแล้วผมไม่เห็นเป็นแปลกอนุสติสิบก็ดีอสบสิบก็ดีขสินสิบก็ดีอาหารเรปริโกธสัญญาเจตุธาเวฐานสี่เนือว่าอารูปสี่อรูปก็มาจากขสินมันก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรวิเศษวิโสไปจากกัน เป็นได้เพียงว่ากระสินเป็นกรรมฐานหยาบสามารถจะทรงชานสีได้ทุกอย่างท่านนั่นเองสร้างความเข้าใจตามนี้ไว้ด้วยนะครับอย่าทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเพราะจับกระสินเข้ามาก็แสดงว่าฉันน่ะเก่งซสีเต็มทีนั่นเปนเป็นความเลวที่ให้อภัยอะไรไม่ได้เลยเป็นคนมีแต่สัญญาจะเป็นคนที่ไม่มีปัญญา วันนี้มาพูดกันถึงก้อสินตัวอย่างก็คือพระลูกชายในช่างทองตามที่พูดในฟังแล้วในด้านของพระสูตรท่านบวชกับพระสารีบุตรท่านเป็นคนมีโทสาจริตพระสารีบุตรให้อาศักรรมมานคิดว่าคนหนุ่มคนสวยคนรวยย่อมหนักใรกามารมเมื่อให้กรรมฐานผิด ให้กับจริตไม่ตรงกันเรื่การตีค่าศึกค่าศึกมาหน้าบ้านเราไปตีหลังบ้านค่าศึกแล้วก็พลุนบ้านหมดสามสิบสามเดือนท่า น, นไม่สามารถจะบรรลุมรคผลได้เมื่อออกพรรษาภาษาลิบทพาไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรเจจตมื่อพระพุทธเจ้าจะได้ทรงตัดภาษาลิบท คนละหมดผู้มีความมีผู้มีศรัทธาที่แตถาคตไม่สามารถจะสอนนั้นไม่มีถ้าอย่างไั้นขอภาษารีบุทกลับไปก่อนเมื่อภาษารีบุทกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระชินวรสิงได้สมมอบกะสินอันหนึ่งที่เรียกว่าโลหิตะกะสินคือกสินสีนแดง โดยดนิลมิตดอกบัวเป็นสีแดงเพื่อวัวทองคำให้พระองค์นั้นไปนั่งที่กองทรายหน้าวิหารเอาดอกบัวปักอยู่บนกองทรายแล้วก็นั่งเพ่งมองจำวันนี้สีแดงสีแดงสีแดงเ็กในใจพร้อมกันนั้นเกินจะกาหนดรูดลมหายใจเข้าออกไปด้วย ก็ลืมตาขึ้นมาใหม่แ้าก็มองจับสีแดงเมื่อสีมันพลาไปใจจำไม่ถนัดลืมตามาดูใหม่แล้วก็หลับตาเล็กเพียงสีแงดงว่าเหนียวเหนียวสีแดงก็คลายตัวจางลงทีละน้อยละน้อยกลายเป็นสีเหลืองจากสีเหลืองเป็นสีขาวจากเป็นสีขาวเป็นปราเหมือนแก้วเป็นแก้วใสก่อน จากแก้วใสาเป็นประกายค ล, ล้ายๆแก้วทอแสงจากพระอาทิตย์ตอนนี้แสดงว่าจิตของท่านเป็นผู้ทรงฌานเข้าถึงฌานสี่ตอนนั้นองค์สมเด็จพระมหาหมมนีทรงพิจรนารณาดูว่าโอหนอพระองค์นี้ถ้าเราไม่ช่วยเวลานี้เธอได้ฌานสี่แล้ว ถ้าเราไม่ช่วยเธอจะบรรลุมรรคผลเป็นอรหันต์ได้หรือไม่สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบ้วยอำนาจพระพุทธญาณว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้เวลาที่เธอหลับตาอยู่อย่างนั้นสมเด็จพระจอมไตรจึงได้ส่งนิลมิตดอกบัวที่มีสีสดใสให้กลายเป็นสีเศร้าหมอง เมื่อนั่นเพื่อท่านนั่งภาพเพ่งภาพของกสินเกือสีแดงที่เป็นใบกายพอกําลังใจก็ลืมตา ม, มาันดูดอกบัวเห็นดอกบัวเศร้าหมองคิดในใจว่าโอ๋หนอดอกบัวนี่เมื่อกี้นี่ผ่องใสเวลานี้มันเศร้าหมองไปเสียแล้วหรือก็หลับตานึกว่าโอ่ร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้น มันผ่องใสแต่มาถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวเท่านั้นการเวลาล่วงไปร่างกายเราก็สศหมองแบบนี้เธอก็พิจารณาแบบนี้ต่อมาองค์สมเด็จพระินาสีก็ทรงดำมิตรให้กลีบบัวหล่นลงเธอพิจารณาภาพกระสินด้วย แล้วก็ใช้อารมณ์ใจพิจารณาถึงกำลังเขาร่างกายด้วยว่ามันมีความไม่เที่ยงมันมีความสุดโทมเป็นธรรมดาลืมตาไมาท่ทีตายจริงกรีบนัวหล่นเสีหมดแล้วเหลือแต่ฝักเกศสอนก็ไม่มีเธอเท่กันเธอก็หลับตาลงไปคิดว่าร่างกาย้วนี้สุดโทมลงไปลงไปเช่นเดียวกับดอกบวัวเศร้าหมอง แต่ในที่สุดกริกก็ร่วงลงเหมือนกับคนแก่ที่มีร่างกายค้่อมไปขนาดหลังงอฟันหูก็ฝาตาก็ฟางผมก็หงอกฟันก็หักนั้ก็เหี่ยวยน่นทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายที่เห็นว่าเป็นของดีของสดใสมันไม่มีแล้วสําหรับคนแก่ชีวิตร่างกายของเรามันเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งไม่มีอะไรเป็นสนนะ แล้วก็ลืมตามาดูอีกทีตอนนี้องส์สมเด็จพระจินทรสีทรงนิรมิรใหทางการบัวหักดอกบัวหล่นผล ป, ปีไปหมดเธอเห็นภาพที่องส์สมเด็จพระบรมโอสโคตทรงนิรมิติดอกบัวอย่างนั้นก็มาเนคถึงกายว่าร่างกายนอกจากแก่ไม่ช้ามันก็ตายเมื่อเธอพิจารณาไปก็คิดว่าร่างกายไม่มีความหมายสำหรับเรา ดอกบัวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานเป็นดอกบัวทองคำเป็นภาชนะที่มีความแข็งในไม่ช้ามันก็สลายตัวได้ฉันใดร่างกายของเราก็มีสภาพฉันนั้นฉะนั้นเราจะไม่ติดในร่างกายนี้ต่อไปท่านก็ทำใจให้่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา คือไม่สนใจในร่างกายร่างกายมันจะเป็นยังไงเขาช่างเมื่อสภาพมันเป็นอย่างนี้ทําจิตของท่านนี้จับภาพกับสินก็พิจนารณาร่างกายควบกันไม่ช้าไม่นานท่านจะก็ได้ได้สเสมัยอนาตผลพร้อมไปด้วยปริสัมพิทา ย, ยาณ น, นี่สําหรับตัวอย่างในการเจริญเป็นกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็เป็นพระอรหันต์ได้ถ้าทําเป็น สำหรับท่าน้หลายชอบสีอะไรสีแดงหรือว่าสีเขียวหรือว่าสีเหลืองหรือว่าสีขาวจะทำกองไหนมันก็มีสภาพเหมือนกันกาสินไม่มีอะไรยากเป็นของง่ายๆเป็นกรรมฐานอยากชอบกองไหนชอบสีอะไรเพ่งสีนั้น นั่นก็ทำตัวอย่างอย่างพระในช่างทองหลับตาไปก็ น, นึกถึงภาพสีอะไรนึกถึงสีนั้นนึกถึงชื่อสีนั้นจนทั้งสีนั้นทรงตัวไม่ต้องลืมตามาดูใหม่จะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่นึกขึ้นมาอะไรเห็นภาพนั้นติดตาทันทีอย่างนี้เรียกว่าโอกาสนิมิตเบื้องต้น แต่สีนั้นก็คลายจากสีเดิมจากเหลืองจากแดงจากเขียวมาเป็นเหลืองอ่อนๆจนทั้งเป็นสีขาวยังต้องเป็นประกายแท่งทึบทามั น, นเป็นสีขาวแท่งทึบใหญ่จะบังคับให้อยู่สูงก็ได้อยู่ต่ำก็ได้บังคับให้เล็กก็ได้บังคับให้ใหญ่ก็ได้อย่างนี้ื่อจะเข้าถึงอุปจารสมาธิเต็มภาคภูมิ ถ้าสีนั้นกลายเป็นประกายพลึกสีกสินนี่เหมือนกันจะเป็นกสินกองไหนก็ปรากฏเหมือนกันทําเป็นแล้วสีต้องเป็นประกายพลึกหมดถ้าเป็นประกายพลึกเส้นแดงวิจิตเข้าทิ้งชันขณะที่เพ่งสีเส้นกสิสีกสินที่เป็นประกายพลึกนั้นแต่ประปรากฏว่าไม่รู้ให้ใจหรือเปล่ามีสภาพผลไม่ให้ใจใจสว่างโพ จิตไม่รับสัมผัสภา ย, ภายนอกหูม่ดินเสียงยงจะกินลิ้นจะกัดไม่รู้แต่ความจริงพระเจริญกรรมฐ า, านในะยงไม่กินลิ้นไม่กัดถ้าจิตเป็นชานใะนยงดิ้นไม่ทําไม่ทําแน่ท่านก็ควรจะพิสูจน์ดูแล้วต่อไปเวลากลางวันกลางคืนก็ตามถ้าท่านไปทางไหนจิตของท่านไม่ทิ้งอุปจารสมาธิหรือปฐมฌาน หรือว่าทุติยชาญชาญดีสองยุงมันไม่ชอบยุงไม่ชอบกัดยุงมันเกลียดคนใจดีเป็นนั้นว่าเป็นเครื่องเป็นสุจิตของตนในเมื่อจิตเข้าทิ้งทรงจิตจับปกายพลิดสว่างสวยใจลุกโลใจสว่างพลุ แล้วก็มีอารมณ์คล้ายกับไม่รู้สึกว่าให้ใจนั่นคือฌานสี่ถ้าทรงจะได้อย่างนี้ก็ดีทำแล้วได้ไม่ถึงนึกถึงสีได้ก็ใช้ได้แล้วก็ใช้จิตใจพิจารณาไปถึงกันห้าตามที่กล่าวมาแล้วในเรื่องของพระช่างทองเรื่องเบโสดาสิธาคานาคาไม่มีความหมายกลายเป็นพระอาหลารไป แต่ว่าตอนนี้เราพูดกันทีส่สกิทาคามีผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละพระองค์ไหนที่จะทรงจิตแล้วคนใดจะทรงจิตเป็นเบโสดาสกิาคารานาคารหันไล่เบียดไปตามนี้ไม่มีในประวัติศาสตร์เป็นแต่เพียง ว, ว่าท่านทรงเบโสดาแล้วบางท่านก็นไป็นาคามีเลยบางท่านก็นไปอนละหันเป็นเลย แต่ไหนไหนพูดกันถึงพระสกิธาคามีก็พูดกันสักสักหน่อยเวลาที่เราจับกระสินสีกองกองใดกองหนึ่งือสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวถ้ารมจิตของเราเป็นสมาธิเอุปจารสมาธิกำลังความโกรธมันก็ลด ถ้าจิตเข้าริ้งชาญความโกรธมันก็คลานต้มเตรียมตมเตรียมไม่มีกําลังเพราะชาญมีกําลังใหญ่ทาลายกําลังความโกรธได้ดีแต่ว่าไม่สามารถจะฆ่าให้ตายดังนั้นเลยเมื่อจิตของเราจับชาญในกระสินส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วสมาธิส่วนหนังได้ส่วนหนึ่งได้เราก็ไปจับสกาญทิฐิเข้ามาพิจารณาควบคู่กันไป ขณะที่เพ่งถึงภาพกระสินจงอย่าใช้สากายทิธิเอามาควบมันจะโย่จับกระสินให้มันส่งตัวก่าสีดอบตามเดิมก็ตามสีกระไก็ตามสีประกายพฤก็ตามสำหรับสมาธิได้แค่ไหนพอใจแค่นั้นอย่าทำจิตให้มันวุ่นวาย ในเมื่อท่านนั่งไหลทรงอารมณ์ได้อย่างนี้แล้วเมื่อจิตสบายตามปกติเป็นที่พอใจคลายอารมณ์มานิดหนึง่งคิดพิจารณาสึ่งขันห้ากับภาพกระสินในเมื่อเราพิจารณาขันห้าภาพกระสินก็หายจึงเอาขันห้ากับกบสินเข้ามาประกอบกัน นั่นก็คือนึกว่าภาพกระสินนี่เดิมทีเป็นสีแดงเพราะว่าสีเดียวนะกีดสีก็เหมือนกันพูดสีเวลาเพื่อต่อมาก็กลายเป็นสีเหลืองเหลืองอ่อนๆเพื่อแดงเขาค่อยจางแล้ว ก, กลายเป็นเหลืองเข้มเข้มแล้วก็อ่อนๆแล้วก็ขาวขาวก็แล้วก็ใส แต่พอเราข ย, ยับใจนิดเดียวภาพกระสินก็หายไปภาพกระสินกับร่างกายของเราก็มีสภาพเหมือนกันภาพกระสินที่กลายเสีได้สแสดงว่าภาพกระสินนั้นเป็นของไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงสีมันจะต้องปรากฏตามเดิมเหมือนกับร่างกายของเราที่มันมีความไม่เที่ยง มันสุดมันโซมันเปลี่ยนมันแปลงไปได้ตามปกตินี่มาตอนหลังที่เราทิ้งภาพกระสินภาพกระสินหายไปเรามาเทียบกับร่างกายของเรามันก็มีสภาพเช่นเดียวกันเว่าร่างกายของเรานี้ในที่สุดมันก็สลายตัวแบบเดียวกับภาพกระสินฉะนั้นเราจะไปสนใจเรื่องโทสะความโกรธเพื่อประโยชน์อะไร เราโกรธเขามันเป็นปัจจัยของความทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าคนโกรธไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวเราโกรธเขาเพื่ออะไรเขาทำไม่ชอบใจเราเราอยากจะฆ่าเขาแม้ถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาจะตายหรือไม่ตายเขาก็ตายถ้าเราอยากจะระทุศรายเขาให้มีความเจ็บช้ำทางกาย แล้วก็คิดว่าถ้าเราไม่ประทุษร้ายเขาร่างกายเขาจะสมหรือไม่สมถ้ามันก็สมแล้วยาทำลายเขาทําไมเป็นอันมาโทษถึงความประโยชน์ถึงความโกรธมันไม่มีคนโกรธทําลายชีวิตในร่างกายขาองตนเองทําลายปัญญาขาองตนเองยิ่งโกรธมากเท่าไหร่กินไม่ได้นอนไม่ดับร่างกายก็สุดโทรมจิตใจก็มีความวุ่นวาย มันก็มีแต่ความเล่าร้อนตามที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าโทสักขีไฟก็โทสะมันมาเผาผลาญร่างกายให้พินาศไปใจก็ไม่เป็นสุขกายก็ไม่เป็นสุขโกรธเขาทําไมโกรธเขามันดีตรงไหนคนที่โกรธคนได้ก็คือคนบ้าถ้าเราโกรธคนอื่นมาเมื่อไรแล้วนึกไว้ในใจว่านี่เรามันบ้าพอตัว มากมากสิ่งความโกรธมันไม่ได้มีประโยชน์คนมันตายด้วยกันทั้งหมดทำไมจะต้องโกรธคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็มีกิเลสคนที่มีกิเลสจิตมันเศร้าหมองจิตมันมึดมีแต่ความโง่เพราะเขาโง่เขานียสร้างอารมณ์ที่ไม่ชอบใจให้ใจเราให้เกิดในเมื่อเขาทำลายวาความดีของเขาเราทำไมต้องทำลายความดีของเราด้วย เขาอยากเจนเลวก็ปล the ่อยเขาเลวไปแต่คนเดียวเราไม่ยอมเลวด้วยใครอยากประกาศเป็นศัตรูกว่าเขาประกาศแต่ผูเดียวเราไม่ประกาศตนเป็นศัตรูกับเขาใจเราก็เป็นสุขอันนี้จิตเป็นสุขไดิมหน้าของกําลังฌานต่อมาจัดจิตจะเป็นสุขใหญ่ว่าร่างกายของเราของเราคนดีของเขาคนดีเขาสัตว์ทั้งหลายคนดีวัตถุอื่นใดคนดี ไม่เป็นที่น่าชื่นชมสำหรับเราเพราะหนึ่งมันเป็นอนิจังหาความเที่ยงไม่ได้สองทรงอยู่ก็ประกอบไปด้วยความทุกข์สามในที่สุดมันก็สลายตัวสภาวะมันเป็นอย่างนี้ทำไมเรายังจะถือรักในร่างกายของเขาเราจะถือโลกอยากได้ทรัพย์สินของเขา เราจะถือโกรธเพราะกาศประตัวต้องการปราดอาหารเขาแล้วมันมีประโยชน์อะไรเราจะอยู่ไปกี่วันไม่ชาเราก็พลันตายดีไม่ดีเราอาจจะตายเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าความโกรธคิดพธุสรายจะไม่มีสำหรับเราใครเขาจะทำยังไงก็ช่างเขาใช้กระถาภาว น, นาไว้บทหนึง่ง ใครเขาชมว่าเราดีเราก็เลยก็ช่างมันเจ้าหนี้จะมาหลอกใช้ใครเขาว่าเราชั่วแล้วก็ถือว่าช่างมันที่ว่าความดีหรือความชั่วมันอยู่ที่เราเท่านั้นเราจะดิ้นรนยิงเกินไปเมื่อเราระงับใจได้อย่างนี้สนแสดงว่าอารมณ์แห่งพระสกิธาคามีของท่านเข้ามาอีกขั้นหนึ่งคือระงับความโกรธให้มีกําลังน้อย ถ้า่ว่าเรื่องราวของการอ้รับความโกรธที่ยังไม่หมดจะพูดต่อไปจัดอีกิตหนึ่งก็คือพรหมีหารสี่แต่ถ้าว่าเวลานี้โดยเวลามันหมดสินแล้วนี่ท่านผมเข้าใจว่าคำอธิบายเพียงเท่านี้ก็สามารถจะทำให้ท่านหลายพูดทรงความดีคนดีนะจะจำได้และก็คนดีจะปฏิบัติได้ แต่คนที่ปฏิบัติไม่ได้จะมาคุยนะฟังให้ผมฟังแบบเป็นคนดีว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเลวประสัทธไรชานเพาะของแค่นี้ทำกันไม่ได้จะทำอะไรได้อะต่อที่นี้ไปขอบันดาท่านนันหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาไส จนกว่าถึงวาระที่ท่านเห็นว่าสองคนควรจะเลิกสวัสนี